สัตถินิบาตหนึ่งโสนกะชาดกว่าด้วยพระราชาพระราชทานรงวัลแก่ผู้พบโสนากะกุมารพระเจ้าอรินธรรมตรัสว่าโสนกะสหายเล่นฝุ่นของเราใครได้สดับข่าวแล้วมาบอกเราจะให้ทรับหนึ่งรอใครได้พบเห็นแล้วมาบอกเราจะให้ทรับหนึ่งพันพระศาสดาได้ตรัสหนึ่งคาถาครึ่งว่า ลำดับนั้นเด็กน้อยไว้ผมห้าแยมได้กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงประทานทรัพย์หนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้สดับข่าวแล้วมากราบทูลและขอทรงประทานทรัพย์หนึ่พแก่ข้าพระองค์ผู้ได้พบเห็นโสนกะข้าพระองค์จะ ก, กราบทูลถึงโสนกะพระสหายเล่นฝุ่นแก่พระองค์พระราชาสดับดังนั้นแล้วตรัสถามว่า เขาอยู่ในชนบทแควนและนิคมไหนพ่อได้พบโสนกะณที่ไหนพ่อจงตอบเนื้อความที่เราถามนั้นเถิดเด็กน้อยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพในแคว้นของพระองค์นั่นเองณนะภาคพื้นแห่งพระอุทยานของพระองค์นั่นเองมีต้นรังใหญ่หลายต้นซึ่งมีลำต้นตรงมีสีเขียวชอฉวงน่ารื่นรมย์ใจยืนต้นประสานอาศัยกันและกัน เสมอเหมือนกลุ่มเมฆน่ารื่นรมเมื่อชาวโลกมีความยึดมั่นถูกแผดเผาอยู่โสนกะไม่มีความยึดมั่นเป็นผู้ดับแล้วเพ่งฌานอยู่นคนต้นรังเหล่านั้นลำดับนั้นแลพระราชาได้เสด็จไปพร้อมด้วยเสนาสีเหล่าตรัสสั่งให้ปรับผลทางให้เรียบเสมอแล้วได้เสด็จไปจนถึงที่อยู่ของโสนกะปจเจกพุทธะครั้นเสด็จถึงภูมิภาคพระอุทยาน จึงเสด็จเที่ยวไปในป่าใหญ่ทอดพระเนตรเห็นโสนกะปัจเจกพุทธะผู้นั่งสงบเย็นในเมื่อชาวโลกเร่าร้อนอยู่พระราชาตรัสว่าภิกษุนี้เป็นคนเข็นใจนอมีศรีรษะโลนคลองผ้าสังคาติไม่มีแม่ไม่มีพ่อเพ่งชานอยู่ที่โคนต้นไม้พระโสนกะปัจเจกพุทธเจ้าสดับพระดารดนี้แล้วจึงกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอถวายพระพรมหาประพิธบุคคลผู้สัมผัสทมด้วยกายไม่จัดว่าเป็นคนเข็นใจบุคคลใดในโลกนี้รังเกียจธรรมประพฤติตามอธรรมบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนเข็นใจเป็นคนชั่วมีบาปติดตามไปในภายหน้าพระราชาโพธิสัตตรสว่าโยมมีชื่อว่าอรินธรรมะมหาชนรู้จักโยมว่าพระเจ้ากาสีพระกุณเจ้าโสนกะ พระคุณเจ้าผู้เจริญมาถึงสถานที่นี้จำวัดสบายหรือพระโสนกะปัจเจกพุทธเจ้าแสดงความเจริญของสมณะแด่พระราชาว่าความเจริญข้อที่หนึ่งย่อมมีแม้ในการทุกเมือ่อแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือเข้าเปลือกไม่เข้าไปมีอยู่ในช้างในหม้อในกระเช้าของภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นแสวงหาอาหารสาเร็จ ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารนั้นเป็นผู้มีวัดดีงามความเจริญข้อที่สองย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนเคอภิกษุพึงฉันก้อนข้าวที่ไม่มีโทษและกิเลสไรๆจะไม่เข้าไปรบกวนท่านความเจริญข้อที่สมย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนเคยภิกษุพึงฉันก้อนข้าวที่เย็น และจีเลตไรๆจะไม่เข้าไปรบกวนท่านความเจริญข้อที่สย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือความเกี่ยวข้องย่อมไม่มีแก่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วเที่ยวจริยกเปน็นแคว้นความเจริญข้อที่5ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือเมื่อบ้านเมืองถูกไฟไหม้ท่านไม่มีอะไรจะถูกเผาไหม้ความเจริญข้อที่6 ย่อมมีแค่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือเมื่อแคว้นถูกโจรปล้นท่านก็ไม่มีอะไรจะให้โจรปล้นความเจริญข้อที่7ย่อมมีแค่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนคือหนทางใดที่พวกโจรยึดครองก็ดีหนทางอื่นใดที่มีอันตรายก็ดีภิกษุผู้มีวัดดีงามถือบาและจีวรไปได้อย่างปลอดภัยความเจริญข้อที่8ด ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีบ้านเรือนเคยจะหลีกไปยังทิศใดๆก็ไปยังทิศนั้นนั้นได้ยังไม่ต้องห่วงใหญ่พระราชาตรัสว่าพระคุณเจ้าโสนกะผู้เห็นภัยพระคุณเจ้าสรนเสริมความเจริญของภิกษุเหล่านั้นมากมายแต่โยมยังติดอยู่ในกามทั้งหลายจะทำอย่างไรได้เล่ากามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์โยมก็พึงพอใจถึงแม้กามทั้งหลายอันเป็นทิพย์ โยมก็พึงพอใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรหนอโยมจึงจะได้กลามทั้งสองในโลกพระปัจเจกับพรุทธเจ้ากราบทูลว่าคนทั้งหลายผู้ติดอยู่ในกลามยินดีในกามหมกมุ่นอยู่ในกลามทั้งหลายกระทำบาปแล้วย่อมเข้าถึงทุกติส่วนคนเหล่าใดละกลามทั้งหลายเป็นผู้ออกแล้วจากกลามไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนบรรลุถึงความเป็นสมาธิอันแน่วแน่ คนเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่ทุกติขอถวายพระพรพระเจ้าอริธรธมะอาตมาภาพจากยุกตัวอย่างมาเปรียบเทียบโปรดสดับข้ออุปมาณนั้นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยการเปรียบเทียบกาตัวหนึ่งมีปัญญาน้อยเพราะไม่มีความคิดเห็นซากศพถูกแม่น้ำคงคาพัดลอยไปในห้วงน้าใหญ่จึงคิดว่า ยานนี้เราได้แล้วหนอและซากศพนี้จะเป็นอาหารมิใช่น้อยได้เป็นผู้มีใจยินดีไม่เสื่อมคลายในซากศพนั้นเท่านั้นตลอดคืนตลอดวันเมื่อกาจิกกินเนื้อช้างดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาอยู่เมื่อเห็นต้นไม้ใหญ่ในป่าก็ไม่โผลบินขึ้นไปก็แม่น้ำคงคาได้ไหลพัดพาเอากาตัวประมาทยินดีในซากศพตนนั้นไปยังสมุทร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฝูงนกบินไปไม่ได้ก็กาตัวนั้นสิ้นอาหารแล้วจึงตกลงไปในน้ำจะบินไปข้างหลังก็ไม่ได้ข้างหน้าก็ไม่ได้ด้านเหนือก็ไม่ได้ด้านใต้ก็ไม่ได้มันบินไปไม่ถึงเกาะซึ่งเป็นสถานที่ที่ฝูงนกบินไปไม่ได้และมันก็ตกลงไปในสมุทรนั่นเองโดยอาการหมดกําลังอันหนึ่งฝูงปลาจระเคมังกร ปลาร้ายชื่อสุสุที่อยู่ในสมุทรก็พากันข่มเพงคุบกินกานั้นซึ่งกำลังดิ้นรนจนขนปีกขาดขอถวายพระพรมหาปิษพระองค์ก็ดีคนเหล่าอื่นที่ยังบริโภคกามก็ดีถ้าจากยังกำหนัดไม่ขายกามเสียก็ฉันนั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายรู้ว่ามีปัญญาเพียงดังกาขอถวายพระพรมหาปิศ นี้เป็นอุปมาที่แสดงเนื้อความอย่างชัดเจนซึ่งอัตมาภาพกล่าวถวายแด่มหาปพิธมหาปพิธจะทรงกระทําหรือไม่ก็ตามมหาปพิธก็จะปรากฏตามเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวสรุปว่าบุคคลผู้มีความเอนดูพึงกล่าวเพียงคําเดียวหรือสองคำเท่านั้นไม่กล่าวให้ยิ่งไปกว่านั้นเหมือนทาตในสํานักของนายพระบรมศาสด า, สดาตรัสว่า พระโสนะกะปจเจกับพุทธะผู้มีความรู้อันนับมิได้ครั้นกล่าวคำนี้แล้วจึงเหาะขึ้นไปในอากาศพร่ำสอนบรมกษัตริย์แล้วเหาะไปในอากาศพระราชาตรัสว่าบุคคลผู้ได้รับการศึกษาถึงพร้อมด้วยความเฉียบแหลมที่จะครอบครองราชสมบัติเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนหนอเราจะมอบราชสมบัติให้เราไม่มีความต้องการราชสมบัติ เราจักโบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจกมีในวันพรุ่งนี้ขอเราอย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งการทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยพวกอมาต์ได้ฟังแล้วจึงกราบทูลว่าพระราชบุตรองค์น้อยของพระองค์ทรงพระนามว่าทีคาวุกุมารผู้จะผดุงรัฐให้เจริญมีอยู่ขอพระองค์ทรงอภิเษกพระราชบุตรพระองค์นั้นในราชสมบัติเถิด เท้าเธอจะเป็นพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระราชาตรัสว่าจงรีบนำทีขาวุกุมานผู้จะผดุงรัฐให้เจริญมาเถิดเราจะอภิเศกในราชสมบัติเธอจะเป็นพระราชาของท่านทั้งหลายพระบรมศาสด า, สดาตรัสว่าลำดับนั้นอำมา์ทั้งหลายได้เชิญเสด็จทีคาวุกุมานผู้จะผดุงรัฐให้เจริญมาเฝ้าพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้ว ได้ตรัสกับพระโอรสพระองค์เดียวผู้เป็นที่โปรดปรามพระองค์นั้นว่ามีบ้านอยู่หก0มื่นหมู่บ้านสมบูรณ์ทุกอย่างลูกเอ๋ยเจ้าจงดูแลหมู่บ้านเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าพ่อจโบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งการทั้งหลายเหมือนกางโงะเลย มีช้างอยู่หกหมื่นเชือกเป็นช้างพลายประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีสัปปบปะรดทองคําปกคลุมด้วยเครื่องปกคลุมทองคํามีนายควานช้างถือโตมอนและขอขึ้นประจําลูกเ อ, อ๋ยเจ้าจงดูแลช้างเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าพ่อจากบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้ ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกลามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยมีม้าอยู่หกหมื่นตัวประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงคือม้าสินทบซึ่งเป็นม้าพานะที่มีฝีเท้าเร็วชาติอาชาในมีนายสารถีผู้สวมเกราะถือแรงธนูขึ้นประจำลูกเ อ, อ๋ยเจ้าจงดูแลม้าเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าพ่อจากบชในวันนี้แหละ ใครจะเพึ่งรู้ได้ว่าความตายจกมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งการทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยมีรถอยู่หกหมืคันเป็นรถมีหนังเสือเหลืองหุ้มก็มีมีหนังเสือโคร่งหุ้มก็มียกธงขึ้นปักแล้วประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีนายสารถีผู้สวมเกราะเถอแรงธนูขึ้นประจำลูกเอย๋ยเจ้าจงดูแลรถเหล่านั้น พ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าพ่อจากบทในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยมีแม่โคน ม, มอยู่หกหมื่นตัวเป็นแม่โคสีแดงพร้อมทั้งโคผู้ตัวประเสรศิฐลูกเ อ, อ๋ยเจ้าจงดูแลโคเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าพ่อจากบทในวันนี้แหละ ใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยมีหญิงอยู่ 16,000 นพนางประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงมีเสื้อผ้าอาพร อ, อันวิจิตรสวมใส่ต้มหัวแก้วมณีลูกเ อ, อ๋ยเจ้าจงดูแลหญิงเหล่านั้นพ่อขอมอบราชสมบัติให้เจ้าพ่อจะบวชในวันนี้แหละใครจะพึงรู้ได้ว่า ความตายจากมีในวันพรุ่งนี้ขอพ่ออย่าได้ตกไปสู่อำนาจแห่งการทั้งหลายเหมือนกางโง่เลยพระราชกุมารกราบทูลว่าสเสด็จพ่อเมื่อมอมฉันยังเป็นเด็กอยู่มอมฉันได้สดับมาว่าพระมาณดาสวรรคตแล้วสเสด็จพ่อมอมฉันเว้นจากสเสด็จพ่อแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ลูกช้างย่อมติดตามไปข้างหลังช้างป่า ที่เที่ยวไปในซอกเขาที่เสมอบ้างไม่เสมอบ้างฉันใดมอมฉันก็จะพาเอาบุตรติดตามเสด็จพ่อไปข้างหลังฉันนั้นจกเป็นลูกที่เลี้ยงง่ายของเสด็จพ่อจกไม่เป็นลูกที่เลี้ยงยากของเสด็จพ่อพระราชาตรัสตอบว่าอันตรายพึงยึดเรือที่แล่นไปในสมุทรของพ่อค้าผู้สแสวงหาทรัพย์ไว้ในสมุทรนั้นพ่อค้าพึงพิน่าฉันใด ลูกกาลีคนนี้พึ่งเป็นคนกระทำอันตรายแก่เราฉันนั้นเหมือนกันพวกท่านจงส่งกุมารนี้ไปให้ถึงประสาทอันเจริญไปด้วยความยินดีเถิดณประสาทนั้นเราหญิงสาวผู้มีมือประดับด้วยเครื่องประดับทองคําจากยังกุมารนั้นให้รื่นรมในประสาทนั้นเหมือนนางอับซรให้เท้าสักกะรื่นรมและกุมารนั้นก็จะรื่นรมด้วยหญิงสาวทั้งหลายเหล่านั้นลำดับนั้น พวกอมัดได้ส่งเสด็จพระกุมารจนถึงประสาทอันเจริญไปด้วยความยินดีเหล่ายิงสาวเห็นทีขาวกุมารผู้ประดุงรัฐให้เจริญนั้นแล้วจึงได้กราบทูลถามว่าพระองค์เป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะบุรินทะพระองค์เป็นใครหรือเป็นพระราชบุตรของใครหม่อมฉันทั้งหลายจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรพระราชกุมารตรัสตอบว่า เราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันทั้งไม่ใช่เท้าสักกะบุรินทะเราเป็นพระโอรสของพระเจ้ากาสีพระนามว่าทีฆาวุกุมานผู้จัพดุงรัฐให้เจริญพวกเธอจงเลี้ยงดูบำเรอเราขอพวกเธอจงมีความเจริญเถิดเราจะเป็นพัสดาของพวกเธอเรายิงสาวได้ยกราบทูลถามทีฆาวุกุมานผู้พดุงรัฐให้เจริญพระองค์นั้นณที่นั้นว่า พระราชาเสด็จถึงไหนแล้วพระราชาจากที่นี้ไปณที่ไหนพระราชาเสด็จล่วงเลยเปลือกตมแล้วดำรงอยู่บนบกทรงดำเนินสู่ทางใหญ่แอบรปรษศจากน้ำไม่รกชัดส่วนเราดำเนินไปยังขนทางของผลผู้ไปสู่ทุกติมีทั้งน้ำและรกชัดซึ่งเป็นหนทางไปสู่ทุกติเราหญิงสาวกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาพระองค์นั้นเสด็จมาดีแล้ว เหมือนราชสีคืนสู่ถ้ำหนาซอกเขาข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์โปรดทรงอนุศาสพร่ำสอนและทรงเป็นใหญ่แห่งหม่อมชันทั้งปวงเถิดโซนกะชาดกที่หนึ่งจบสสังขิจจาชาดกว่าด้วยสังขิจจาฤษีพระศา ส, าสดาทรงปราร พ, พระเจ้าอาชาตสดรูผู้ทําปิตุฆา จึงตรัสสังกิจจะชาดกนี้ว่าลำดับนั้นคนเฝ้าสวนเห็นพระเจ้าพระมทัตผู้ทรงเป็นจอมทัพประทับนั่งอยู่จึงได้กราบทูลเทา้าเธอให้ทรงทราบว่าพระองค์ทรงเอนดูท่านผู้ใดท่านผู้นี้คือสังกิจจะเรือศีผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นคนดีกว่าเรืีทั้งหลายได้มาถึงแล้วขอเชิญพระองค์รีบเสด็จออกไปพบ ท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่โดยด่วนเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระราชาผู้จอมทัพรีบเสด็จขึ้นประทับราชรถที่เทียมไว้แล้วมีหมูมิดและอมาศห้อมล้อมได้เสด็จไปแล้วพระราชาผู้ทรงพระดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกาสีทรงเก็บราชากุกุธภัณฑ์หประการคือหนึ่งพัดวาลวีชณี 2. กรอบพระพักสพระขัน สีสเวตฉัตร 5. ฉลองพระบาทพระราชาทรงวางเบญจ ก, กุทพันธ์ไว้อย่างปกปิดแล้วเสด็จลงจากราชยานทรงดำเนินเข้าไปหาสังจิจ่าเรือีซึ่งนั่งอยู่ณนะทายปัสสะอุทยานพระราชาพระองค์นั้นครั้นเสด็จเข้าไปหาแล้วทรงบันเทิงอยู่กับเรือีสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันและกันแ ล, นแล้วเสด็จเข้าไปณที่สมควร ประทับนั่งณที่สมควรแล้วเมื่อทรงเห็นว่าเป็นการอันสมควรจึงทรงสอบถามถึงกรรมอันเป็นบาปว่าโยมขอถามท่านสังกิจเจริศีผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นคนดีกว่าเรศีทั้งหลายซึ่งนั่งอยู่ณทายปัสสะอุทยานห้อมล้อมไปด้วยมือเรอสีว่าคนผู้ประพฤติล่วงทำทั้งหลายเหมือนโยมผู้ประพฤติล่วงทำและไปแล้วจะไปสู่คติอะไร ขอพระกุณเจ้าจงตอบเนื้อความที่โยมถามเถิดสังกิจเือสีเรียกราบทูลพระราชาผู้ทรงพระดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกาสีซึ่งประทับนั่งณทายปัสสะอุทยานว่าขอถวายพระพรมหาปิษขอพระองค์ทรงสดับคำของอัตมภาพผู้ใดพร่ำสอนบอกคนทางแก่คนเดินทางผิดถ้าเขาพึงทำตามคำของผู้นั้น เขาก็ไม่พึงถูกน้ําตําฉันใดผู้ใดพร่ำสอนธรรมแก่ผู้ปฏิบัติผิดธรรมถ้าเขาพึงทําตามคําสอนของท่านผู้นั้นเขาก็จะไม่พึงไปสู่ถุกติชั้นนั้นเหมือนกันฤาษีโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาต่อไปว่าข้าแต่มหาราชทำชื่อว่าเป็นทางที่ปลอดภัยส่วนอาธรรมชื่อว่าเป็นทางที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าอาธรรมนําสัตว์ไปสู่นรก ส่วนธรรมยังสัตว์ให้ถึงสุคติข้าแต่มหาประพิธคนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายมีชีวิตไม่ราบรื่นตายไปแล้วจะไปสู่คติใดในนรกขอพระองค์ทรงสดับการกล่าวถึงนรกเหล่านั้นของอาตมาภาพเถิดคือ 1. สัญชีวะนรก 2. กาลสุตตะนรก 3. สังคาตะนรกโรรุวะนรกสองคือ 4. ชาละโรรุวะนรก 5. ้ทูมะโรรุวะนรก 6. ตาปณะนรก 7. ปตาปณะนรก 8. เอาเวจีมหานรกนรก8ดขุมเหล่านี้บันดึตกล่าวว่าก้าวพ้นได้โดยยากเกลื่อนกลนไปด้วยเหล่าสัตว์ผู้มีกวามหยาบช้าแต่ละขุมแต่ละขุมมีอุสุทธารก16ขุมเป็นบริวาร เป็นนรกที่โหดร้ายเผาพลานเหล่าสัตว์ผู้ตรณีเหนียวแน่นให้เร่าร้อนเป็นมหาภัยมีเปลวไฟลุกโผงหน้าขนพองสยองกล้าวหน้าสะเพรึงกลัวมีภัยเฉพาะหน้ามีแต่ทุกขมีสีมุมมีประตูสีด้านจัดไว้เหมาะสมตามสัสดส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบมีเหล็กครอบไว้ด้วยภาคพื้นของนรกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเหล็กมีไฟลุกโชน มีความร้อนแผ่ซ่านไปตลอดร้อยโยดโดยรอบตั้งอยู่ในการทุกเมื่อคนผู้กล่าวล่วงเรือสีทั้งหลายผู้สำรวมผู้มีตะบะเหล่านั้นย่อมตกนรกมีเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนมีศีรษะปักลงเบื้องล่างคนเหล่านั้นผู้มีปกติกระทำกรรมหยาบช้ามีความเจริญถูกขจัดแล้วเหมือนปลาที่ถูกเฉิญออกเป็นชิ้นชิ้นย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดปีนับไม่ถ้วน มีกายถูกไฟเผาไหม้ทั้งภายในภายนอกอยู่เป็นนิดสแสวงหาทางออกจากนรกก็ไม่พบประตูที่จะออกจึงวิ่งไปทางประตูด้านทิศตะวันออกจากนั้นก็วิ่งกลับไปทางประตูด้านทิศตะวันตกวิ่งไปแม้ทางประตูด้านทิศเหนือจากนั้นจึงวิ่งกลับไปยังประตูด้านทิศใต้วิ่งไปถึงประตูใดๆประตูนั้นๆก็ปิดทันทีนะับเป็นเวลาหลายพันปี ชนทั้งหลายที่ตกนรกต้องประคองแขนคร่ำครวนเสวยทุกมิใช่น้อยเพราะเหตุนั้นบุคคลไม่ควรระรานคนดีเพราะท่านมีความสำรวมมีตบะประดุดอสอรพิษมีพิษกล้าที่โกรธแล้วหลีกเลี่ยงได้ยากพระเจ้าอัจุนะทรงเป็นใหญ่ในแควนเกตกะมีพระวรกายกำยำล่ำสันทรงเป็นนายขมังธนูผู้ยิ่งใหญ่ มีพระพาหาตั้งพันธ์ก็หายสาบสูญไปเพราะระรานโคตมะฤรศีพระเจ้าทันท ก, กีได้ทรงเอาทุลีปโปรยใสกีสวัชชะเรศีผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังทุลีพระองค์ทรงถึงความพินาศเหมือนต้นตาลถูกตัดรากพระเจ้ามัชชะคิดร้ายมาตังคร์ระศีผู้เรืองยศจึงได้หายสาบสูญไปพร้อมทั้งบริษัท แคว้นของพระองค์ก็กลายเป็นป่าไม้ในการนั้นชาเมืองอันทกะเวนทยะระรานกันหะทีปายณนะเรศีต่างถือไม้พลองตีกันและกันก็พากันไปถึงสถานที่ชำระโทษของพญายมส่วนพระเจ้าเจดจพระองค์นี้เมื่อก่อนทรงเหาะไปในอากาศได้ถูกกระบินละดาบทสาบมีอัตภาพเสื่อมสิน้นฤทธิ์แล้วถูกแผ่นดินสูบถึงสิ้นพระชน เพราะเหตุนั้นแหละบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญการถึงความลำเอียงเพราะความชอบบุคคลไม่พึงมีจิตคิดประทุษร้ายพึงกล่าววาจาที่ประกอบด้วยความจริงถ้าว่าคนใดมีใจประทุษร้ายเพ่งเลงมุตีพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเขาก็จะไปสู่นรกเบื้องต่ำชนเหล่าใดพยายามพูดคาหยาบคายด่าว่าผู้เท่า ชนเหล่านั้นจะไม่มีที่พึ่งไม่มีทายาิเป็นเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนอันหนึ่งคนใดฆ่าบรรปะชิตผู้ทากิจเสร็จแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คนนั้นย่อมหมกมั่วอยู่ในการและสุตตะนรกตลอดราตรีนานอันหนึ่งพระราชาพระองค์ใดไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงมีอาคติเที่ยวกาจัดแคว้นทาชนบทให้เดือดร้อน สิ้นพระชนแล้วจะหมกไหมอยู่ในตาปณนรกและเท้าเธอจะต้องหมกไหมอยู่ตลอดแสนปีทิพย์จะถูกกลุ่มเปลวเพลิงห้อมล้อมสวยทุกเวทนาเปลวเพลิงจะเปล่งรัศมีพวยพุพ่งออกจากพระกายของเท้าเธอสันพางกายพร้อมทั้งขนและเล็บทั้งหลายของสัตว์ผู้มีไฟเป็นอาหารจะลุกโชนเป็นอันเดียวกัน สัตว์นรกมีกายถูกไฟครอกทั้งภายในและภายนอกอยู่เป็นนิดถูกความทุกข์ย่ำเยี่ร้องครวนครางอยู่เหมือนช้างถูกสับด้วยตะขอคนใดเป็นคนต่ำช้าฆ่าบิดาเพราะความโลภหรือเพราะความโกรธคนนั้นย่อมหมกไหมในกาลสุตตะนรกตลอดราตรีนานคนผู้ฆ่าบิดาเช่นนั้นจะต้องมหมกไหมอยู่ในโลหะกุมพีนรก และนายนิริยบาลทั้งหลายจะใช้หอกแทงเขาผู้ถูกต้มจนไม่มีหนังทำให้ตาบอดให้กินปัสสาวะและอุจจระเป็นอาหารแล้วกดคนเช่นนั้นให้จมลงในน้ำกรดนายนิริยบาลบังคับใหสัตว์นรกกินน้ำอุจจระที่ร้อนจนเดือดพล่านและก้อนเหล็กแดงที่มีไฟลุกโชนถือเอาผานที่ยาวและร้อนอยู่ตลอดราตรีนานงัดปากเมื่อเปิดปากอ้า จึงใช้เบ็ดที่ผูกสายเชือกดึงลิ้นออกมาแล้วจึงยัดเหล็กแดงเข้าไปฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขด่างฝูงนกแรงฝูงกาป่าและฝูงนกปากเหล็กพากันรุมจิกกัดสัตว์นรกผู้กำลังดิ้นทุรนทุรายแบ่งกันกินเป็นอาหารพร้อมทั้งเลือดสัตว์นรกผู้ฆ่าบิดานั้นมีร่างกายแตกปริไปทั่วเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟไหม นายนิริยาบาลทั้งหลายจะเที่ยวติดตามทุกตีจริงอยู่นายนิริยาบาลเหล่านั้นมีความยินดีแต่พวกสรรนรกนอกนี้ได้รับทุกทรมานคนผู้ฆ่าบิดาทุกจาพวกในโลกนี้ต้องตกอยู่ในนรกเช่นนั้นอันหนึ่งบุตรฆ่ามารดาตายจากโลกนี้ไปแล้วเข้าถึงที่อยู่ของพยาลยมต้องเสวยทุกอย่างร้ายแรงด้วยผลกรรมของตน นายนิรยาบาลทั้งหลายที่มีพระกำลังอย่างยิ่งจะใช้ขนหางสัตว์ที่เป็นลวดเหล็กแดงมัดบีบคันสัตว์นรกที่ฆ่ามารดาผู้กาเนิดอยู่เสมอๆบังคับให้สัตว์นรกนั้นผู้ฆ่ามารดาดื่มเลือดที่มีอยู่ในตนที่ไหลออกจากร่างกายของตนซึ่งร้อนปานประหนึ่งน้ำทองแดงที่ละลายควางสัตว์นรกนั้นลงสู่ห้วงน้าที่คล้ายน้าหนองน้าเลือด มีโครนตมคูดอันหน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเน่าดุดซากศพแล้วยืนอยู่ณ ห, ห่วงน้ำนั้นมูนอนปากเหล็กมีร่างกายใหญ่โตเหลือประมาณทำลายผิวหนังชอนชัยเข้าไปในเนื้อและเลือดกัดกินสัตว์นรกนั้นพอสัตว์นรกนั้นตกถึงนรกแล้วก็จมลงไปประมาณร้อยช่วงคนซากศพอันเน่าก็เหม็นฟุ้งตลบไปโดยรอบตลอดร้อยโยด จริงอยู่แม้คนที่มีจักษุก็จะเสื่อมจากจักษุทั้งสองได้เพราะกลิ่นนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าพรหมทัตคนฆ่ามานดาย่อมได้รับความทุกข์เช่นนั้นแหละหญิงที่รีดลูกทั้งหลายจะต้องย่งเหยียบนรกบนคมมีโกดอันคมกริบที่ไม่น่ารื่นรมแล้วตกไปยังแม่น้ำเวตระนีซึ่งข้ามไปได้ยากต้นนิ้วทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็ก มีน้ำยาวส6หองคุลีห้อยย้อยปกคลุมแม่น้ำเวตรนีซึ่งข้ามไปได้ยากทั้งสองฝั่งสัตว์นรกเหล่านั้นมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นไปเบื้องบนหนึ่งยอมีกายเร่าร้อนด้วยไฟที่เกิดเองยืนอยู่เหมือนกองไฟที่ตั้งอยู่ในที่ไกลหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีก็ดีชายผู้คบชู้กับพันยาคนอื่นก็ดีพวกเขาเหล่านั้น ต้องตกอยู่ในนรกอันรอบร้อนมีน้ําแหลมคมสัตว์นรกเหล่านั้นถูกอาวุธทิ่มแทงก็กลิ้งกลับเอาศีรษะลงเบื้องล่างตกลงไปเป็นจํานวนมากถูกเหลาเหล็กทิ่มแทงร่างกายจนนอนตื่นอยู่ตลอดการอันยาวนานต่อแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วสัตว์นรกทั้งหลายก็ถูกนายนิริยบาลซัดเข้าไปยังโลหะกลุมพีอันใหญ่ อุปมาดังภูเขามีน้ำร้อนอันเปรียบได้กับไฟบุคคลผู้ทุศีลถูกโมหะครอบงำย่อมสวยกรรมของตนหมกไม่ยอยู่ที่ตนกระทําชั่วไว้แล้วในปางก่อนตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้อันหนึ่งพัญญาที่เขาไถมาด้วยซั์ดูหมิ่นสามีหรือแม่ผัวพ่อผัวหรือแม่พี่ชายพี่สาวของสามี นายนิริยบาลทั้งหลายจะเอาเบ็ดเกี่ยวปลายลิ้นของเธอดึงออกมาพร้อมทั้งสายเบ็ดเธอเห็นลิ้นของตนยาวประมาณหนึ่งวาเต็มไปด้วยนอนไม่อาจจะบอกใครให้ทราบได้จึงตายไปหมกไม่ยอยู่ในตาปณะนรกพวกคนฆ่าแกะฆ่าสุกรจับปลาดักสัตว์พวกโจรพวกคนฆ่า ว, วัวพวกในพรานและพวกที่กล่าวอ้างโทษว่าเป็นคุณ พวกเขาจะถูกนายนิริยาบาลทั้งหลายเข็นฆ่าด้วยหอกด้วยค้อนเหล็กด้วยดาบด้วยลูกศรและศีรษะจะปักดึงลงไปยังแม่น้ำกรดส่วนคนผู้ตัดสินคดีไม่เป็นธรรมจะถูกนายนิริยาบาลทุบตีด้วยค้อนเหล็กทุกเย็นทุกเช้าต่อแต่นั้นจะต้องกินอาเจียนที่สัตว์นรกเหล่าเอินคลายออกที่มีอัตภาพลำบากทุกเมื่อฝูงกาฝูงสุนัขจิ้งจอกฝูงแรง และฝูงกาป่าปากเหล็กก็พากันรุมจิกกัดกินสัตว์นรกผู้กระทํากรรมหยาบช้าซึ่งกำลังดิ้นรนอยู่เราชนผู้เป็นอสัตบ์รุษใช้ธุลีชาปกปิดร่างกายฆ่าเนื้อด้วยเนื้อต่อหรือฆ่านกด้วยนกต่อชนเหล่านั้นต้องไปตกอุสุธานรกส่วนสัตว์ปรุษทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกเบื้องบนเพราะกรรมที่ตนประพฤติดีแล้วในโลกนี้ ขอมหาปพิษโปรดทอดพระเนตรผลกรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วเถิดเทพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินและพระพรหมก็มีอยู่ข้าแต่มหาราชเพราะเหตุนั้นอาตมภาพขอถวายพระพรขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งแคว้นจงทรงประพฤติ ธ, ธรรมโดยประการที่บุคคลประพฤติ ธ, ธรรมดีแล้วไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังเถิดสังกิจจชาดกที่สองจบ รวมชาดกที่มีในนิบาทนี้คือ 1. โซนากะชาดกสสังกิจจะชาดกสัตถินิบาจบ